ออก็เลยไม่มีที่พึ่งแล้วเนี่ยพอคิดไปคิดมาก็คิดว่าถา้าหายป่วยสาธุสาธุไ่า ย, ยกมือเป็นเป็นหอนนั่นแหละ ปัญหาอยากให้หายไข้หายหป่วยถ้าหายไข้หายหป่วยแล้วจะทํายังไงทีเนี้ถ้าหายไข้หายหป่วยเราไม่มีอะไรจ ะ, จะคิดหาก็คิดหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละที่พึ่งนะไหว้หวอนยกไหว้มือไหว้ยอย่างนั้นเอาไปมาคิดไปคิดมาคิดไม่ออก ถ้าหายป่วยนี่ว่าเงินนะตั้งสัจจะอธิษฐานบอกกันเลยเธอถ้าหายป่วยนี่จะเข้าไปทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาจะเข้าวัดฟังธรรมไหวเงินนะถ้ามันหายวันไหนก็ไหว้วอนอย่างเงั้นเอาแววมาบางคนก็หายจริงๆนะหายจริงจริด้วยคุณ บ้านวมีพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะเข้าไปคุ้มครองปกปักรักษ า, าหายจริงๆก็มีไม่เียกว่าผู้หญิงผู้ชายมันเป็นเหมือนกันหมดว่วอยู่งั้นอ้อนวอนอยู่งั้นไม่มีทีนี่เมือ่อ มันหายจริงๆแล้วออกมาอยู่ที่บ้านที่ไหออกมาอยู่ที่บ้านก็เลยไม่คิดเห็นคำที่เจ้าของอ้ อ, อนวอ น, อ ว, ว, วอนเอาไว้ไหววอนเอาไว้แล้วไปก็ไปใหม่ๆนะไปทั้งหนึ่งสองครั้งเวลาเป็นไข้หนักป่วยหนัก อยู่นั่นยังไงก็ขอมอบ ก, กายถวายชีดิตหมดนั่นละออกมาก็มาได้วันสองวันสองครัง้งสามครั้งเท่านั้นไปอยู่วัดขอสาบานไม่ตายแค่นั่นแหละมันหายแล้วก็ลืมแล้วลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ว่าขอเป็นสารหน้าที่พึ่งว่าพึ่งได้แล้วออกมาแล้วก็ไม่ทําตามปฏิบัติตามนะหลังจากนั้นบางคนก็มาป่วยลงอีกมาบลงอีกนะลงอีกทีนี้ก็อ่อนวอนอีกแหละทีนี้มันเคยตัวเคยตัวว่ามันอ่อนวอนได้ไหววอนได้ ทีนี้ก็ครั้งที่สองนี่ก็บางคนก็ไปไม่รอดแล้ว <c oughs> ไม่ได้ทําตามคําสาบานไม่ทําตามคําไหว้วอนเอาไว้ตั้งกิจอธิษฐานเอาไว้เรียกว่าคนไม่มีสัตว์ไม่มีศีลไม่มีสัจจะไม่มีศีลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ช่วยแล้วทเนี้ ไม่เข้าเราวัดทีนี่ออกมาสบายฮะอยู่หา้ากินไปพอป่วยมับลงอีกก็ไหว้วอนอีกแล้วนั่นล่ะทีนี้ไม่เข้าก็ได้เข้าเลยทีนี้มันไม่หายจริงๆเขาก็หามเข้าวัดหมด เพราะว่าที่เผามันอยู่ที่วัดเขาก็ห้ามเข้าวัดตั้งแต่ก่อนว่าจะเข้าวัดมันเข้าไม่ได้พอใจขาดเอามานอนไว้คืนสองคืนเ็าบอเขาห้ามเข้าวัดนะพี่นะไปเผาที่วัด น, นี่นะนั่นแหละคนคนไม่มีสัตว์ไม่มีศีล พวกเราก็เหมือนกันตั้งสัจจะว่าจะมาภาวนาภาวนาให้เห็นสรณะที่พึ่งนะคือพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธังธรรมังสังฆังสรนนังคัจฉามิก็ดีแล้วที่เราท่านนั่งหลายมานะ ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะมาปฏิบัติรักษาศีลภาวนานะทีนี้เมื่อมาแล้วก็ต้องตั้งจิตตั้งใจเอาดีๆนะตั้งจิตตั้งใจเอาดีๆภาวนามันจิตสงบหมดนะถ้าคนทาถูกทางมันแล้วก็มีความเพียรเพียรสูงนะ ความเพียร น, นี่เราเรียกว่าต บ, บะตาโปจะธรรมจริยาจะเราสวดอยู่ในมงคลสามสิบปดที่ผ่านมาตะบะนี่เราจะเผากิเลสให้ไหมกระจุนไปเลยตาโปจะธรรมจริยาจะนอนอริยานั้นจะทัศนังก็จะเห็นอริยสัจสี่ เ, เขาตะบะเนี่นะเขากิเลสให้มันใหม่จุนไปเลยไม่มีกระจุนไปเลยกิเลสเความขี้เกียจเนี่ยนะถ้าทำได้ก็อริยะอริยานันจะทัศนัง อริยาก็คืออริย ส, รรสัจสีก็จะเห็นอริย ส, รรสัจสีทัศนะแปลว่าเห็นก็จะเห็นอริย ส, รรสัจสีเห็นทุกสมุทยัยนิโรธมรรคก็เข้าถึงพระนิพพานได้วิธีธรรมเราก็อธิบายให้ฟังหลายคั้งหลายคราวหลายวันแล้วน ะ, นะวันนี้ก็จะพูดเพิ่มเติมอีก พอเป็นแนวทางนะแนวทางเพิ่มเติมอีกปกตินี่มาปฏิบัตินี่ต้องอดนอนผ่อนอาหารนะอดนอนผ่อนอาหารอันแรกเรียกว่าท่านเรียกว่าศีล ส, สังวรศีล ส, สังวรศีลสังวรสังวรแปลว่าสำรวมแปลว่าระวัง ให้ระวังรักษาศีลศีลของกายนี่แหละสัรวมระวังกายอย่าเอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพประพฤติผิดในการมอย่าโยมพระก็อย่าเอากายไปทำบาปทุจริตนะสัมรวมระวังกายอันที่สองก็สัมรวมระวังวาจา อย่าไปพูดปดพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเล้ยวไหลหลสาระเมาเลนเ้าหัวหุยอวดโอมันเลี้ยวโบเพ้อเจ้อเล้วไหลไหลสาระว่าเจ้าของเก่งเท็ดอันนั้นท่ำอันนั้นเมาเลนเมาหัวตัวติมให้ผ้ากันเข้าใจพยายามหุบปากไว้ อย่าพูดมากพูดมา ก, ม, ากมันจเสียวาจาทุจริตให้สำรวมระวังวาจานะที่นี้ก็สำรวมใจระวังใจอย่าไปให้มันคิดไปเนี่ยีแง่บาปทุจริตคิดออกไปข้างนอกคิดออกไปหาบ้านช่องห่องหอคิดออกไปห้าลูกห้าล้าน คิดออกไปหาบ้านหาช่องคิดออกไปหาบุตรพันธุยามันก็คิดไปแค่นี้แหล ะ, ะก็พยายามอย่ามันคิดออกไปเขาก็พออยู่ได้อยู่ดอกไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ดอกให้เข้าใจว่าผัวเขาตายเขาก็อยู่ได้ดีไม่ดีเขาก็เอาผัวใหม่อีกนั่นแหละจะไปคิดหาเขาเลย ไม่มีผัวผัวตายมันก็อยู่ได้ดอกเมียตายเราก็อยู่ได้เหมือนกันไม่ต้องคิดไปหาเขาดอกอันนี่นี่แหละคิดในแง่บาปทุจริตคิดไปทางต่ำคิดในแง่อกุศลบาปยังไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญงอกงามก็จ ะ, จะเจริญงอกงามต่อไป ถ้คิดไปแหน่ไม่ดีมันก็ออกไปอย่างนี้ให้พากันสํารวมระวังเรียกว่าศีลสังวรศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจให้สํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจศีล227รี่ย่อลงมาอยู่แค่นี้นะกายวาจาใจย่อลงไปเหลือใจตัวเดียวเท่านั้นเจตนาหัง พิ เ, เวซีลังวดาไม่กิจนาคือความจงใจนั่นแหละคือศีลถ้าคิดไปในแง่จงใจคิดไปคิดไปในแง่บาปทุจริตก็มันจะเกิดขึ้นบาปนี่ไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะงอกงามต่อไปมันก็สั่งกายของเราสืบออกไปได้มันก็สั่งกายของเราไป ทำบาปทุจริตสังว่าจาไปพูดบาปทุจริตได้ใจเนะี่ยยิงมารวมอยู่ที่ใจตัวเดียวนะนี่แหละให้ให้ใ ห, ให้สำรวมระวังให้ดีอันนี้ไปบินถ้าบาดก็อย่าไปเดินเคียงคู่กันไม่ใช่ผัวกับเมียไม่ใช่หนุ่มหรือสาวผู้บ่าวผู้สาวยังค่วงกันไป ไปบินถ้าบาทก็เดินห่างๆกันอย่าไปควงกันเหมือนหนุ่มสาวเขาควงเคียงคู่กันออกนับบาดเก้าขาพุดขวาโทรซ้ายไปเรื่อยๆให้มีสติรู้อย่างนั้นหรือไม่ก็ให้ดูลมหายใจไม่ให้ไปใกล้กันให้ระวังมันจะพูดกันปากคนมันยาวกว่าปากกาปากกานี่ไม่ยาวนะ ปากคนเนะี่ยมันอยู่ไกลๆมันก็พูดกันได้ถ้าไปใกล้กันมันคันเหมือนกับกินบอลน่ะคันปากอย่าพูดไม่ต้องเข้าไปใกล้กันให้มันตายโลดบอกมึงอย่าพูดหลายมึงตายโลดว่างั้นนะแต่คนกือคนใบ้เขาไม่พูดสักทีเขาทำไม่ไม่ใจหนะ่ะบอกมันเนีย่ยอย่าไปใกล้กันนี่แหละนี่หละสินซังวรอน พระพุทะองค์ตัดเอาไว้อย่างนี้ต่อไปก็อินซีสังวรให้สำรวมอินซีอินซีมีอยู่หกตาหูจมูกลิ้นกายใจจะคงทลินซีโสตินซีคานินซีคิวหินซีกายินซีมะนินซีอินซีมีทั้งหกมีทั้งหมดหกอย่าง ให้สํารวมระวังตาเนี่ยเมื่อเห็นรูปก็ให้อบรมบรม่บมอินทรีย์ให้สํารวมอย่าด่วนว่าเราเห็นถามสัตว์บุคคลตัวตวนมีอยู่ในตาไหมใครเป็นคนเห็นตาก็ทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาเมื่ออะไรผ่านกระจกไป ไฟจกก็ลับเข้าไปรับเข้าไปแล้วก็ดับลงเท่านั้นไม่มีอะไรมีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นจึงให้สํารวมระวังอบรมบ่มอินรีย์อยู่อย่างนี้ว่าโอเป็นใหญ่อินรีย์คือเป็นใหญ่นกอินทรีย์คือนกใหญ่อินรีย์คือความเป็นใหญ่ เป็นใหญ่ในการได้ยินอะไรเสียงอะไรผ่านมาก็มาเข้าทางหูทวารทางหูเยาวศตินีมีความเป็นใหญ่ในการได้ยินต้องบอกว่าในหูก็ไม่มีคนไม่มีตัวมีตนมีเรามีเขาอยู่ในหู ทำไม ห, หูจึงได้ยินหูก็ทำหน้าที่ในการได้ยินหน้าที่ของใครของเราเขาทำหน้าที่อย่อยางนั้นเราก็มีหน้าที่รู้ให้เฉยๆหูก็ได้ยินมาเราก็รู้ว่าเสียงนั้นเสียงนี่เฉยๆตัวเรานี่นตัวใจเนี่ยเอาเข้าไปอีก จมูกก็อินซีมีความเป็นใหญ่ในการดมกลิน่นกลิ่นอะไรเข้ามาจมูกก็รับเอาคนเดียวหอมก็รับเข้าไปเหม็นก็รับเข้าไปสาบเหม็นข้าวเหม็นสาบเหม็นแยดขนาดไหนมันก็รับเข้าไปจมูกมนอรับเข้าไปมันทำหน้าที่ของมัน ผูรู้ว่าเหม็นสาบเหม็นขาวเหม็นอย่างนั้นเหม็นอย่างนี้ก็คือใจไปบอกใจส่งไปบอกใจโอ้โหอ่วนจมูกลิ้นก็เหมือนกันเมื่ออาหารเข้าไปกระทบลิ้นมันก็มีขนเป็นปุยอยู่นั่นแหละไว้รับอารมณ์ แล้วมันก็ส่งไปบอกใจว่าเผ็ดหรือขมหรือหวานหรืออร่อยไม่อร่อยพอเกินลงไปในลำคอแล้วก็หมดไม่มีอะไรก็ผ่านไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับเท่านั้นความเป็นใหญ่ในการริมรสกายมีความเป็นใหญ่ในกระทบผัสสะปวดทพะแต่ต้องความเย็นร้อนอ่อนแข็ง อะไรมาแต่ต้องกายก็ทำหน้าที่รับให้เย็นก็รู้ร้อนก็รู้อ่อนก็รู้แข็งก็รู้กายทำหน้าที่อย่างนั้นนะทีนี้ก็ใจท่นี่เย่ว่ามานินซีม่โนโบวกอินซีมีความเป็นใหญ่ในการรู้ อะไรเข้าไปทางหูทางตาทางจมกูกทางลิ้นทางกายใจก็รู้ให้หมดนะรู้แล้วใจก็ไม่มีเจ้าของรู้อย่าด่วนว่าเรารู้นใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้นั้นอบรมเจ้าของอยู่นี่ใจไม่มีสัตว์มีบุคคลเขาทำหน้าที่รู้อินซีมีความเป็นใหญ่ในการรู้เฉย รู้แล้วมันก็ดับเกิดขึ้นมันก็ดับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นต้องอบรมบอกบมอินรีอยู่อย่างนี้รู้ไวอันนั้นก็สัตย์แต่ว่ารู้เฉยๆไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในความรู้อันนั้นรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ถ้ารู้แล้วไปอุปทานไปยึดไปถือเอาก็เรียกว่ารู้หลงถ้ารู้แล้วไม่ยึดไม่ถือก็เรียกว่ารู้แล้วก็ดับอจริงว่ารู้จริงนะให้อธิบายอบรมบ่มอินทรีอย่างนี้นะนี่แหละอันก็เรียกว่าศินสังวร น, นี่แะอันที่สองก็อินรียสังวรสัมรวมระวังอนะินรียอ อ, อินทรังวรต่อไปก่อโคชเนมัตตันยุตารู้จักในความพอดีมัตตัญญาตารู้จักความพอดีรู้จักความประมาณรู้จักประมาณ ในการบริโภคโภชนก็คือโภชนาคืออาหารนั่นแหละให้รู้จักประมาณในการบริโภคการอยู่การกินผู้มาปฏิบัติต้องรู้อันนี้ถ้าเรากินมากมันเป็นยังไงอาหารอยู่นี่มันมีทุกรสมีทุกรสทุกอย่างนะ โปรตีนวิตามินเกลือแร่คาร์โให้เด็ตมีครบสูตรหมดอาหารอยู่นี่เราเลือกเอ า, เ, อาเลือกชันเอาอฉันน้อยฉันน้อยชันน้อยมันเป็นยังไงต้องทดลองเจ้าของดูมาปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างนี้วันนี้ทดลองดูเท่านี้มันเป็นยังไง เวลาเราไปเดินจงกรมภาวนาเนี่ยมันท้องหนักท้องไหมมันอืดไหมมันง่วงมันเหงาไหมมันอยากไปนอนไหมถ้ามันอยากนอนมันง่วงมันเหงาอยู่หนังท้องตึงหนังตาก็ยานทัานว่ามันอยากนอนแล้วก็ลดลงไปนะลดส่วนอาหารลงไป เท่านี้พอดีไหมฉันดูอีกกินดูอีกถ้ามันยังมีหนักท้องมันยังง่วงนอนอยู่ก็ลดลงไปอีกเรื่อยๆจนเหลืออยู่เก้าคำสิบคำฉันตั้งแต่พออยู่ได้พอให้อาหารพอให้กระเพาะได้ทำงานถ้ามันกระปี้กระเป๋าขายันทำงานขายันเดินจงกรมขยันนั่งสมาธิภาวนา ก็เอาขนาดนี้เรียกว่าโพชเนมัตตัญญุตารู้จักความพอดีในการบริโภคเรียกว่าผู้ปฏิบัติต้องอดนอนนอนน้อยนะผ่อนอาหารอดนอนผ่อนอาหารนะนอนปกติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านตัดไว้คืนหนึ่งมันมีสิบสองชั่วโมงก็แบ่งออกเป็นสามกะจากหนึ่งทุ่มไปหาสี่ทุ่มกะหนึ่งอันนี้ยังไม่นอนสี่ทุ่มยังไม่นอนห้าทุ่มนอนและสีทุ่มแล้หรือได้สี่ทุ่มชิ้จะนอนยังพามันนอนที่นี่จากสี่ทุ่มไปหาตีสองก็่สี่ชั่วโมงเหมือนกัน ก็พามันหลับซะสี่ชั่วโมงพอตีสองก็เริ่มตื่นขึ้นตั้งนาฬิกาปลุกเจ้าของสู้กับความที่เกียดที่ค้านเือนกันนะี่นี่เราจะได้ลบกับกิเลสพอตีสองนาฬิกาตั้งเอาไว้เราดีพึ่งขึ้นไปเลยลาตีหนึ่งมีตื่นเดียวนะมีตื่นเดียวเท่านั้น ไม่ไม่ต้องหลับไปหยิกไม่ต้องอพอได้สติตีพึ่งขึ้นรีบจัดแจงเก็บที่นอนหมอนมุง้งกู้กดกู้อะไรเรียบร้อยพามันล้างหน้าล้างต า, แ ล, า, ลาแล้วกับพาเราเนี่แหละพาเราเนี่ยแหละนั่งสมาธิภาวนาหรือเดินจงกรมใหม่ๆต้องเดินเช่ก่อนนะดี นะไปตื่นตีสองก็พาเดินจงกรมนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างอล้างหน้าล้างตาดีๆแล้วก็พามันเดินถ้ามานั่งมันจะหลับเอียดต้องพามันเดินจนจิตมันนั่นซะ ก, ก่อนเึงพามันมานั่งตีสีก็ทําวัดเลยมาถึงตีสี่ ทำวัดสวดมนต์บ้างย่อบ้างแล้วแต่ใครทีนี้ก็ใกล้ตีสีครึ่งก็ลงมาจัดอาสนะร่วมกับหมูเพื่อนมาจัดอาสนเสร็จจัดที่ฉันที่อะไรเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปคุยกันไม่ต้องไปดูหรอกหนังสืออ่านเท่าไรยิ่งวุ่นวายอ่านหนังสือ มาดูจิตดูใจเจ้าของอดูจิตดูใจเจ้าของดูมันเกิดมันดับเนเ่ยดีก็ไปดูหนังสือหนังสือเนี่ยดูก็ยิ่งวุ่นวายเดี๋ยวอ่านขององค์นั้นก็เทศว่าอย่างนี้องค์นี้ก็เทศว่าอย่างนี้อ่านหนังสื อ, อเทศ สู้เจ้าของเทพให้เจ้าของฟังไม่ได้ดอกนะนี่ตื่นขึ้นก็พาภาวนาตีสี่ก็พาทาวัดสวดมนต์หลังจากทาวัดสวดมนต์เสร็จก็เปลี่ยนอริยบทนิดหน่อยแล้วก็ลงมาเก็บผ้าเก็บบาทลงมา ตีสครึ่งหรือตีห้าตีสี่นัดกันตีสี่ครึ่งก็ลงมามาทำทำแล้วหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมต่ออย่าไปคุยกันอย่าไปใกล้กันพยายามหนีห่างจากหมู่จากเพื่อนถ้าไปใกล้กันบางทีเพื่อนจะถามเราเราจะอดพูดไม่ได้นี่นี่แหละการฝึก ราตีหนึ่งมีตื่นเดียววิธีนอนก็นอนแบบศีหาสียญาติคือนอนแต่แขงขวาเหมือนราชสียสราชสียสนอนมันจะนอนแต่แขงขวาน ะ, ะมันนอนแล้วมันไม่ให้หัวมันติดพื้นนะเอาข้อเอาขามันทับเอาไว้นอนแต่แขงขวาเมื่อได้ยินเสียง สัตรูหรือจะยินเสียงเหยื่อขึ้นมามันจะเพื่อพับกระโดดออกจากที่ทันทีทันท่วงทีนะของเราก็เหมือนกันนอนแบบสีหาสยานอนเหมือนราชสีนอนคือนอนแต่แขงขวาเอาขาเท้าเร่อมกันเหยียด นะพยายามนอนแต่แขงขวาฝึกเอาอย่างนั้นกอนขณะนอนก็ตั้งสติจับเอารมณหายใจหรือท่องพุโทโธจนนอนหลับนั่นเรียกว่ามาฝึกนะ่นเนี่ยพอได้สติตื่นขึ้นก็คว้าดูลมหายใจหรือไม่นั่นก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธต่อเลยอย่าให้มันไปทําอย่างอื่นจิต ให้มันมาอยู่กับพุโทโธให้มาอยู่กับคำบริกรรมคำภาวนาอยู่นะนะรีบจับเอาคำบริกรรมคำภาวนา ท, าทันทีตื่นขึ้นมีสติเวลาไหนก็ภาวนาเวลานั้นสมัยนั้น <c oughs> เคยไปฟังหลวงปู่คำดีหลวงพ่อสิทนนะตอนผมไปอยู่กับหลวงพ่อสิทน ห้องปู่คำดีท่านเอากระลามะพร้าวกระลามะพร้าวที่เขาตัดไว้มาถูพื้นสมัยก่อนไม่มีพื้นอย่างนี้ดอกเนี่ยพื้นไม้สาาพื้นไม้ปุตติพื้นไม้ไม้มันหลนะเขาก็ตัดกระลามะพร้าวเนี่ยมาถูพื้นให้มันสะอาดทำความสะอาดพื้นก็เอากระลามะพร้าว ดักเอาตรงเล่นแหลมมันออกเวลานอนท่านก็เอาผ้าอาบน้ำหรือผ้าเช็ดตัวไปรองกะลามะพร้าวนอนตั้งสติว่าถ้าหัวตกจากกะล า, ามะพร้าวเมื่อไรจะลุกขึ้นภาวนาน่นผู้หวังพระนิพพานนะมันต้องเอาขนาดนั้นนะ ทีนี่นอนได้สักเท่าไหร่ก็ตามถ้ามันสติไม่ดีมันเผลอมันเลื่นลงก็หัวลงลงถูกถูกขึ้นก็ลุกภาวนาทันทีเรียกว่ า, าตีหนึ่งมีตื่นเดียวคืนหนึ่งนะ่าตีหนึ่งคืนหนึ่งมีตื่นเดียวเท่านั้นหลับตื่นเดียวนอนตื่นเดียวก็ไม่นอนอีกเอาขนาดนั้นนะ ทีนี่ก็เลยมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อทํำยังไงหลวงพ่อที่ทนสมัยนั้นเขามีกระป๋องยาโลเย็นนะเป็นกระป๋องบางๆเขาเอามาถาไว้หลวงปูค่คาดีท่านก็ได้กระป๋องนั้นนะทําไม่เอากะลามะพร้าวหลวงพ่อที่ทนเอากระป๋องยาโลเย็นแล้วก็เอาผ้ารองนหนาๆพอไม่เจ็บนิดหน่อย ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเหมือนกันถ้าสีหาสยายญาตินอนตปแ้งนะถ้าหัวหลุดลงจากกระป๋องนี่ก็จะตื่นขึ้นภาวนาทันทีนั่นถึงขนาดนั้นนะมันใช่ย่อยๆน ะ, ะมันถึงได้ท่านเรียกว่าอดนอนนี่แหละอดนอนแล้วก็ผ่อนอาหารอาหารก็ผ่อนลงทีละนิดและหน่อย ฉันไปใกล้จะอิม 4, ่มสีห้าคำก็หยุดกะว่ามันอีกอีกสักสีห้าคำนั้นจะอิม่มพ่อแม่ท่านผู้ายจยนท่านสอนไว้ก็รีบออกฉันน้ำลงหลายๆให้มันอิ่มพอดีเอาน้ำลงว้ก็อิม่มนะเวลาไปภาวนามันจะกระปี้กระเป๋านะกระปี้กระเป๋ากระชับกระเชิง ถ้าทำอย่างนี้ยกว่าอดนอนผ่อนอาหารท่านเรียกว่าโพชเนมัตตัญุตานี่แหละการปฏิบัติของเราให้รู้ประมาณในการบริโภคลดลงมาลดลงมาลดลงมามันไม่ตายหรอกผอมปีนี้รู้สึกว่าดีมากนะที่วัดนีธาตุทุกองค์้อมหมด บางองค์จนหน้าสงสารลดลงลดลงจะเอาหาสารหน้าที่พึ่งให้มันเห็นหาพุทโทธธรโมโคให้มันเห็นท่านก็พรรยามปีที่แล้วนี่มีพระแปดปีที่ผ่านมาฉันแล้วก็มาเทข้าก้นบาตรสองกะละมังยังเต็มปีนี้ สิบหกลูกนี่ฉันแล้วนี่ปีที่ปีก่อนนี่ปีกายนี่มีแปดมีแปดเก้าลูกมาเทข้าวออกก็ยังไม่เต็มก็ยังเต็มกะละมังสองอันเศษเอาไว้มากถนานไหนพอปีนี้มาเทาออกไม่เห็นครึ่งกะละมังสักทีพระสิบหกลูกมีแต่เหลือหลายตั้งแด่ของผมเนี องอื่นมาเทพบวันพยายามมองไปดูอยู่นิดๆหน่อยๆบางทีก็ไม่มีซะเลยไม่พอเอาอิม่มพอดีนะนี่แหละโพชนเนมัตัญยุตาต้องฉลาดพวกเรานะมาปฏิบัตินะเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ใช่มาปฏิบัติแล้วมาปฏิบัติห้าไลอ้วนพระพีหรือสีอ้วนพระพีแม่ชีอ้วน มองดูพระก็พี่ก็อ้วนมองดูแม่ชีก็หน้าเป่งปังเต็ ม, มนี่พระผีหรือสีอ้วนพระผีแม่ชีอ้วนมีแต่อยากสึกออกไปลนะแม่ชีพระก็เหมือนกันนอยากสึกออกไปมันตกมันตามมะลาข้ามันหลายมันอ้วนมันพีมันอยู่ยากเขาต้องพร้อมโซ ทรมานเด็กของนั่นนะเหมือนกับเขาฝึกสร้างฝึกลิงเขาต้องเอามาผูกล่ามเอาไว้ทรมานให้อดยาอดอาหารให้กินทีละเล็กละน้อยพออยู่ได้มันจึงฝึกได้มันจึงสอนได้เราก็เหมือนกันจิตของเราใจของเราถ้ามันอิ่มอยู่มันตกมันนะมันก็บวกไม่ได้สอนไม่ได้ต้องให้มัน อดนอนผ่อนอาหารลงนะนี่วิธีปฏิบัติต่อไปก็ชาปริยาชาปริฆายุโยกอ่ามันประกอบความเพียรอยู่เนืองนิดมันประกอบความเพียรอยู่เนืองนิดให้เนืองนิดเนืองนิด น, น, ดนี่คือยังไงเนืองนิดอ่ะเรามาเนี่ยพวกทำไหมละ่ะทำไหม เนืองนิดนี่เนืองเนืองหรือเนืองนิดแปลว่าให้มันติดต่อกันนะให้ติดต่อกันทุกทุกคืนทุกวันเรียกว่าเนืองนิดกลางวันก็ประกอบความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนากลางคืนก็ทําเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา จิตไม่สงบก็ถอดกายออกมาเล่นออกกายออกมาดูอยู่งั้นหรือออกจากสมาธิแล้วก็เอาถอดกายอาการสา3สิบเอ็ดสามสบสองออกมาที่ใายพิจารณาดูให้มันเห็นตามความเป็นจริงให้เห็นวา่าไม่ใช่สัตว์บุคคลกายสัตว์จว่ากายเฉยๆเนี่ย ทำไมถึงจะรู้ว่าไม่สัตว่ว่ากายเฉยๆไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นเราต้องปฏิบัตินีละสันติโกนะผู้ปฏิบัติพึงรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองปฏิบัติก็โดยการถอดถาดสีดินน้ำลมไฟออกมาดูจิตสงบ จิตถอนออกจากสมาธิแล้วนี่จิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานสมาธิเข้าสมาธิเราได้พักจิตจิตได้พักผ่อนสมาธิเปรียบเสมือนหินรับมีดหินรับปัญญาเมื่อออกจากสมาธิก็พามันคิดเลยทีนี้นี่แหละความเพียรนนะ พามันคิดไม่อยากคิดก็พามันคิดบังคับให้มันคิดทีแรกหยุดคิดทำให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตรวมเป็นหนึ่งเสียก่อนเมื่อจิตออกจากหนึ่งแล้วจึงคิดนะออกจากสมาธิแล้วจึงคิดพามันคิดไม่อยากคิดก็ให้พามันคิดตั้งแต่ก่อนเนี่ยพเป็นเหมือนกันมันติดในสุขในสมาธิว่า คิดไปนิดๆหน่อยๆกีดก็รวมเป็นสมาธิก็ปล่อยให้มันเข้าสมาธิว่างสว่างสวัยพ่องใสเยือยกเย็นเออมีความสุขหลายเราก็ปล่อยให้มันเข้าสมาธิไปถอนออกมาก็พามันคิดอยู่คิดนิดหน่อยมันก็เข้าสมาธิอีกนั่นแหละติดสุขในสมาธิเรียกว่าสมาธิหัวต่อ ไม่เกิดปัญญาเหมือนกับตอนั่งอยู่เหมือนกับตอนั่งอยู่งั้นตลอดวันก็ได้เพราะว่ามันสุขมันสบายหลายแข้งขาก็ไม่ปวดนะถ้าเป็นสมาธิเวทนาหายไปโดยปริยายลมหายกายไม่มีมีแต่ความว่าง เรียกว่าอยู่ในฌานสี่สุขกับเอกับขาตาลมสุขในฌานสี่นี่สุสุขเหนือล้นเหนือคนในโลกนึกว่าเป็นพระนิพพานแล้วนั่นละ่ะมันไม่อยากคิดต้องบังคับพามันคิดพามันคิดมันก็ไปอีกมันไม่ไป จนนั่งอยู่คืนหนึ่งมันเดินพาเดินจงกรมคิดแล้วมันก็ไม่ทํางานให้มันอยากนั่งหลายนั่งลงเหยียดขาคู่ขาเข้ายังไม่เสร็จมันสงบแล้วมันสงบเร็ ว, วถึงขนาดนั้นนะว่าจะพามันนั่งเดินจงกรมแล้วมันสงบแรงมันอยากนั่ง ามันนั่งคู่ขายังไม่ทันสักทีมันสงบก่อนว่าจะเอาขาขวามาทับขาซ้ายทับไม่ได้บางทีขาก็เหยียดอยู่บางทีก็ทับได้มันมันสงบก่อนมันวางกายก่อนมีแต่ว่างซุกอยู่งั้นออกจากสมาธิครั้งหนึ่งมีเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นนะ คนให้ทั่วทุกสิ่งสุขจริงสุขจริงสุขจริงสุขจริ ง, ส, รงสุขจริงว่างนตอนนั้นเราค้นไม่ได้คนทีไร oh ก็เข้าสมาธิอีกจิตก็ว่างลงอีกคนกายจะของไม่ได้เอาไปเอามาไม่เข้าสมาธิออกจากสมาธิใหม่ๆได้ยินเสียงว่าค้นให้ทั่วทุกสิ่งสุขจริงสุขจริง แสดงว่าเราไม่ได้คนคนที่ไหนคนที่กายเจ้ของเนี่ยให้ทั่วที่นี่ก็ถอดแลยที่ีหนไม่ไม่ให้เข้าสมาธิอีกดัดสันดานมันพาเดินมันอยากสงบ ก, ก็ไม่พามันนั่งพามันเดินคิดอยู่งั้นแหละเอาผมขนเล็บฟันนี่แหละก็มาทานห้านี่แหละมาคิด มาเพียนาใครควรดูให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ให้เห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นให้เห็นว่าไม่มีตัวมีตนอยู่ในนั้นให้เห็นว่ามันเป็นอสุภะอสุพังให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพามันหาอย่างนั้นพามันซอบอย่างนั้นทั่วกายของเราส่วสรรพางกายในกายนี่ก็มีอาการสามสิบสอง แล้วก็ถอดอาการซานเองดูอยู่งั้นดูแล้วก็ถามตรงไหนเป็นคนตรงไหนเป็นสัตว์ผมหรือเป็นคนหล้นผมหรือเป็นสัตว์ผมหรือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถามแล้วถามอีกช้าเป็นการนานเป็นประโยชน์้ามันถามอย่างงั้นเนี่ยนี่แหละเรียกว่าชาปฏิคาโนโยก มันประกอบความเพียรอยู่เนืองนิดทุกคืนทุกวันนะนี่แหละเมื่อพามานั่งนั่งก็อย่าวางคำวลีกรรมเป็นเด็ดขาดให้จิตมาเสพบอยู่กับคำวลีกรรมอมอยู่กับพอนคำวลีกรรมจิตจะไปไหนไม่ได้สติคงจิตมาเสพอยู่กับคำวลีกรรมคำภาวนาทุกขณะจิต ไม่แหงไปไหนคุ้มอยู่อย่างงั้นเอาแวบมาคําบริกรรมคาภาวนาหายพุโทโธหายลมหายใจหายเหลือแต่ความรู้รู้ ร, รูเกิดขึ้นนี่แหละผู้รู้นี่แหละเรียกว่าพุโทโธพุโทโธไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าองคเดียวไม่ได้ท่านไม่ได้ผูกขาดเอาไว้พุโทโธก็คือผู้รู้นี่แหละสิงสถิตยอยู่ที่ลมหายใจ เมื่อเราดับลมหายใจลงได้เราก็เห็นพุทธโธเท่านั้นนี่เราก็เห็นพุทธโธนี่แหละพุทธังธรรมังสังฆังสสดงคตฉานี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจนี่เองอยู่ที่ลมหายใจนี่เองลมหายใจและงับดับลงพุทธโธก็ปรากฏขึ้นมาถ้าเป็นผู้รู้รู้รู้อยู่ก็เรียกว่าพุทธโธถ้าว่างเป็นธรรมชาติอยู่ก็เรียกว่าธรรมโม ผู้รู้ว่าพุโทโธทับูก็คือสังโฆก็คือเรานี่พุทธโธธรโมสังโฆไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่แหละสารณะที่พึ่งเราเห็นพุธทธธรรมสงภายในภายในตัวเราภายในใจเราแล้วนี่แหละสารณะที่พึ่งไม่ใช่ว่าเก็บไข้ได้ป่วยถึงจะหามันหาไม่เห็นหรอกเก็บไข้ได้ป่วย จะมาพึ่งอ้อนวอนไหววอนว่าขอพึ่งพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ขอพึ่งได้ตั้งแต่คาอ้อนวอนคานั้นชัวคู่ช่วคราวอยากพึ่งก็ต้องอยากได้สณะที่พึ่งก็ให้ภาวนาเอานี่แหละภาวนาเอาอย่างนี้เรียกว่าภาวนาเอาเอาพุโทโธเป็นคําบริกรรมคําภาวนา เอาลมให้ใจเป็นคําบริกรรมคําภาวนาท่องอยู่อย่างนั้นท่องในใจบริกรรมในใจว่าซ้ําๆกันบริกรรมคือว่าซ้ําๆกันเข้าออกเข้าออกเข้าพุทออกโทอยู่างั้นจนพุทโทหายลมพุทโทตัวปลอมหายลมให้ใจระงับดำลงเห็นพุทโทตัวจริงโผล่ขึ้นมานี่แหละถ้าเราตายช่วงนี้ ช่วงจิตเป็นพุทธโธจิตได้ฌานได้สมาธิจิตของเราก็จะไปโอปปาติกะอุบัติขึ้นบนพรมมาโลกถ้าได้ประทมฌานก็ไปอยู่พรมมาโลกชั้นที่หนึ่งสองสามนั่นแหละอะอยู่คนละโลกนะการ ม, มาโลกรูปโลกนี่เรียกว่ารูปโลกรูปโลกหรือพรมมาโลกพรมมาโลกมันมีอยู่ทั้ง 6, ทั้งหมด16บหชั้น ถ้าได้สามารถได้ชันปฐมไม่ชันก็ไปอยู่ชั้นหนึสองสทุตีย่านก็ไปอยู่ชั้นสี่ห้าหแต่ตีย่าชันก็เกียติแปดาจัดุดชะชันคือชันสีก็ไปอยู่ 4, 5, ย ช, 8, ช, ช, ช 4, ั้น10 1สิบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่ารูปพมเรียกว่ารูปชาน รูปครบรูปาวัจวรภูมิจิตท่องเที่ยวอยู่ในรูปชนันจิตท่องเที่ยวอยู่ในภมูมาโลกภูมนี่มีความสุขมากเหมือนกับพระนิพพานจนคนหลงว่าเป็นพระนิพพานจิตว่างจิตสงบลงไปเราเห็นอารมณ์พระนิพพาน แต่ยังไม่ใช่พระนิพพานเป็นเพียงอารมณ์นะให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละชั้นที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกห้าชั้นสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกห้าชั้นเรียกว่าชั้นสุดทวาสสุดทิสุด ท, ทวาสอาวาสของผู้บริสุทธ สุที่แปลว่า บ, บริสุธ์วาดแปลว่าที่อยู่ที่อยู่ของผู้บริสุดอาวาดแปลว่าที่อยู่ที่อาศัยของผู้บริสุทธิ์ได้แก่พระอนาคามีพระอนาคามีทําไมว่าบริสุทธิ์ไม่เสียบกามอีกจึงเป็นคนไม่จึงเรียกว่าผู้บริสุทธิ์นี่แต่จะไป พนิพพานบนพรมโลกอย่างเดียวอให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละสารณะที่พึ่งเห็นแล้วสารณะที่พึ่งพุทธังธรรมังสังขังสารนังขจฉานิมันพึ่งได้อย่างนี้ที่พึ่งนั่นนะที่พึ่งหนึ่งที่พึ่งอื่นพึ่งได้แต่ใจตนที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่ใจตนใจพึ่งใจผู้อื่นไม่พึ่งไม่ได้หรอก พึ่งบ้านก็พึ่งไม่ได้พึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งไม่ได้พึ่งผัวพึ่งเมียพึ่งไม่ได้พึ่งได้แต่ใจตนอย่างเดียวให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าอยากพึ่งใจอยากของก็ทําใจให้เป็นพุทโธนี่แหละทําใจให้เป็นธรรมโมทําใจให้เป็นสังโฆขึ้นมาถึงจะพึ่งได้นี่แหละเรียกว่าพุทธทางธรรมังสังขังสารณังคัจฉามิแปลว่าข้าพระเจ้าพอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึ่ง ที่นับถือกรรมจัดภัยได้จริงนี่ถ้าได้พุโทโธธรโมสังโฆแล้วก็เอาพุโทโธธโมสังโฆยืนลงเอาไว้มีแล้วต้องรู้จักใช้ได้แล้วต้องรู้จักเอาพุโทโธธรมสังโฆนะเอามาใช้ประโยชน์อย่างนี้แหละเอามาเป็นสารหน้าที่พึ่งน ะ, ะไม่ได้ไปพึ่งที่อื่นพึ่งยังไงพุโทโธเราไปเห็นในสมาธิแล้ว ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเป็นธรรมชาติเป็นผู้รู้รู้รู้เป็นธาตุรู้อยู่เช่นนั้นธรมโมก็เป็นธรรมชาติว่างเป็นธรรมชาติอยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อตายเห็นรูปพุทโธไปเป็นรู้ให้เฉยเฉยพุโทโธไม่ได้ไปยึดไปถือเอา ว่าพุโทโธไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นเขาด่าก็ไม่ถูกพุโทโธนี่น่ะพึ่งได้อย่างนี้อะเขานินทาก็ไม่ถูกพุโทโธอืมพุโทโธตายไว้เป็นทำ ม, มัวตายไม่เป็นเรียกว่าอามตฏดาจิตอมตฏดธาตุอมตฏธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นเมื่อ ลมพัดก็ไม่ถูกน้ำท่วมก็ไม่ถึงเมื่อใจจะขาดแล้วก็ไปเอาใจเราไปอยู่กับพุโทโธนี่แหละพึ่งอย่างนี้ซึ่งผู้ตายไม่เป็นกายของเรามันเรียกว่าธาตุสีขันหา้าธาตุแตกขันดับเป็นธรรมดาพุโทโธตายไม่เป็นเราก็เอาไปพึ่งนี่แหละสารณะที่พึ่ง เพิ่งได้อย่างนี้ให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปอธิษฐานก็พอได้อยู่ดอกอธิษฐานหาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นจิตเป็นใจเอาพุโทโธมารวมไว้ที่จิตที่ใจใจของเราก็จะประเสริฐเลิศเลย เมื่อเวลาเราตายเราท่องพุโทโธธโมสังโฆอยู่ตายจิตของเราก็เป็นจิตประเสริฐเลิศเลยหากจะไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเท่านั้นให้เข้าใจอย่างนี้นี่มันพึ่งได้อย่างนี้พุโทโธพุโทโธธโมสังโฆมันพึ่งได้อย่างนี้นี่แหละคือใจเจ้าของนั่นเรียกว่าพุโทโธ ที่พึ่งอื่นพึ่งได้แต่ใจตนไม่ได้ไปพึ่งที่อื่นพึ่งได้แต่ใจเจ้าของพึ่งที่อื่นพึ่งไม่ได้รอกใจขาดแล้วก็พึ่งไม่ได้พึ่งได้แต่พุทธโทธรรมโอสังโฆนี่แหละให้พากันเข้าใจอย่างนี้ พากันภาวนาเอาทีเนี่ยให้มันเห็นพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธนี่แหละคืออารมณ์พระนิพันธ์อารมณ์พระนิพันธ์เมื่อจิตเป็นพุโทโธมันจะจาคะสละขันห้าออกไปท่านจึงว่า เห็นอารมณ์พระนิพพานทานร้อยครั้ง0ันครั้งไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียวนะเพราะว่าจิตสงบครั้งเดียวก็เห็นอารมณ์พระนิพพานจ่าค่า ข, ขันห้าสละขันห้าออกจิต ก, ก็เป็นเอกเทศเรียกว่าเ อ, ก, าเอ ก, ากกัดฆ่ารลมเอกัดฆาจิตเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวของเขาอยู่ไม่ได้ไปอยู่ในขันห้านั่นแหละ มันมาเป็นเอกเทศของเขาอยู่เป็นหนึ่งเป็นเดียวอยู่ถ้าผู้ฉลดัดแม่จะไปผ่าตัดเนี่ยกำหนดสติแล้วให้มันว่างสลัดขันห้าออกมาเป็นเอกเทศของเขาอยู่เอาจิตมาอยู่กับพุทโธ ท, ทีท่า่ขันห้าเขาจะช้าแหละเขาจะผ่าตัดเขาจะทำอะไรขันห้าก็ ไม่เกี่ยวกันแล้วเพราะว่าพุโทโธคือผูร้รู้เราเอาเอาจิตเอาใจเรามาอยู่กับพุโทโธเ่ยผู้ที่ทำไดนะ้มันมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีสำหรับกายเราเขาจะทำยังไงก็ไม่เกี่ยวกันแหละที่นีเพราะว่ามันจา่าคันห้าสลัดคันห้าออกมาเป็นเอกเทศของเขาอยู่ นั่นลระเรียกว่าจาคันห้าออกได้ชั่วสมาธิขม่มไว้นั่นเรียกว่าวิคัมพระนินมุต ห, หลุดพ้นชั่วสมาธิขม่มไว้หลุดพ้นจากคันห้าเปรียบเส ม, มือนหินทับหญ้าไม้ทับหญ้าทนานั้นน่ะ ยญาถูกไม้ทับเอาไว้มันจะซีดเหลืองตายหินทับยากเหมือนกันเวลาเอาหินออกหรือเอาไม้ออกมันก็จเจริญงอกงามขึ้นมาอีกหรือเวลาเราออกจากสมาธิตัวจิตของเราก็ไปอุปทานออกพนรษา 1, อีกจเจริญงอกงามขึ้นมาอีกมันเป็นอย่างนี้เรียกว่ามีขมพระนิมีมิ หลุดพ้นชั่วสมาธิข่มไว้หลุดพ้นจากขันห้าเรียกว่าจาขะขันห้าได้ชั่วขณะหนึ่งมันเรียกว่าวิมุตต์วินวมุตต ม, ม, มันมีห้าอย่างจําไม่ได้เดอกชื่อมันแนะตท่ทางพระวิมุตต์หลุดพ้นชั่วศีลข่มไว้มีคำพระไรมุตต์พระนาวิมุตต์หลุดพ้นชั่วสมาธิข่มไว้ปริเฉตวิมุตต์ หยุดพ้นโดยเด็ดขาดใช่ไมไม่กลับกอกมาอีกไม่กลับคืนมาอีกหยุดพ้นด้วยสติปัญญานะให้พากันภาวนาเอานี่แหละท่านเรียกว่าอินทร์สังเออศีล ส, สังวรสํารวมกายวาจาใจ อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์หอินทรีย์หยกเอาใจไว้ก่อนใจมันใช้งานได้ทุกอย่างสำรวมอินทรีย์เห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นได้ยินอย่าด่วนว่าเราได้ยินทราบอย่าด่วนว่าเราทราบ รู้อย่าด่วนว่าเรารู้รู้ว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าด่วนว่าเรารู้ทำจิตให้นิ่งว่างเป็นกลางอยู่นั้นสังรวมอินทรสีนะนันแล้วก็โพชเนมัตตัญญาตานะรู้จักวันป ร, ประมาณในการบริโภคชาปริขานุโย มันประกอบความเพียรอยู่เนืองนิดสินสังวรอินทร์สังว ร, งวรโพชเนมัตตัญุตาชาปฏิคานุโยกนี่แหละสีอย่าง าการ น, นำเอาไปประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดให้เป็นให้เห็นให้มีในตัวเราท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็จะมีความสุขความเจริญในด้านในทางพระพุทธศาสนาทำให้เกิดให้มีให้เป็นให้เห็นขึ้นที่ตัวเราเราก็จะมีความเจริญ มีความสุขความจเจริญดับขันเข้าสู่พระนิพพานได้เอวังก็มีด้วยประกาและชะนีพากันทำเอาอยากได้คนอื่นทำให้ไม่ได้หรอก มีแต่บวกเฉยๆผู่บาอาจารย์ถ้าเราไม่บังคับเราไม่ควบคุมตัวเราไม่พาฝึกหัดปฏิบัติดัดแปลงขัดเกลาจิตใจเจ้าของมันก็เป็นไปไม่ได้เจ้าของทำเองเป็นเองไม่ใช่ให้คนอื่นคุมใครอย่าไปคุมเรา ถ้าเราไม่คุ้มเจ้าของเองให้พากันตั้งใจทาเด้ออย่าให้เสียเวลามาอยู่ที่นี่ให้มีแต่คนมีจิตสงบมะจิตสงบหลายอยู่ปีนี้จิตสงบหลายองค์หลายท่านอยู่เก่งอยู่ ต่อไปก็จะได้สืบท อ, อดศาสนาได้พาญาติโยมพี่น้องเราทำปฏิบัติต่อไปสืบต่อกันไปดีนะสมาธินี่บางทีคนไข้คนป่วยอยู่มาทำสมาธิก็หายนะมีหลายคน ตั้งแต่ก่อนบางคนเป็นบ้ามาเป็นบ้ามามาทำก็หายบ้าเป็นโรคนิดๆหน่อยๆก็หายได้สมาธิเป็นยาทมของพระเจ้าเป็นโอสถดธรรมโอสถ ส ก, กัตวาพุทธรัตนังโอสถังที่เราสวดอนะื่นัเป็นโอสถส ก, กัจส ก, กัตวาธรรมรัตนังโอสถังเป็นโอสถนี่แหละคนเอาไปเป่าหัวปูข้อต่อยแขนกันนะั่นนะ ก็ท่องคาถาสักกตวานี่แหละไปคาถาข้องพระพุทธเจ้าเป่าเสกใส่น้ำใส่ไฟ้าคู้แขนเป่าหัวเป่าหางถ้ามันมีหางไงหายสักกะวานี่นะพากันเอาไปใช้บ้าง ถ้าเขาให้เอาละได้เวลาแล้วสมควรแจเวลาบอกวิธีรดอกเวลาเปาหัวก็มีความสักกตะว่านทองใดพระตะให้กินนอค น, นี้แล้วสักกตะว่านนอพู <c oughs>